ลงตามธาตุตามขันแต่ก็อาศัยธาตุขันเป็นเครื่องมือเมื่อธาตุขันได้อํานวยแล้วก็ความเมตตาสงสารก็แสดงออกไม่เต็ ม, มเตมตเต็มหน่วยจุดท้ายก็แสดงออกมาเป็นกิริยาเกีย่ยวกับธาตุขันนี้ไม่ได้หลวงพ่อพระพุทธเจ้าปรานินิพานวิสาวทั้งหลายนิพานไปก็คือว่าเครื่องมือบันไรลใช่ได้เท่านั้น มถึงเาลาแล้วก็เป็นไปตามสภาพของมันมีเป็นมาตั้งแต่การไหนไหนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคำว่านิจังทุกขังอนาตาจิงตีกราแห่งความจัดความจริงไว้ประจำโลกทั้งสามนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากสภาพทั้งสามนี้ หากจะพิจารณาตามอัตตามธรรมซึ่งเวลานี้ธรรมก็กำลังมีอยู่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นวรรคที่หรือเป็นเวลาที่ศาสนายัางมีอยู่การชี้แจงบอกความจัดความจริงตามสิ่งที่เป็นจริงทั้งหลายก็มีอยู่ก็อพอจะเข้าใจได้สำหรับผู้สนใจนำธรรมเข้ามาสอดสอ่อง แยกเละลี่คลายออกจะได้เห็นความจริงตามลำดับลำดาที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้โดยไม่สงสุงสัยนอกจากจะให้กิเลสแยกย่ำทําลายปิดหูปิดตาปิดจิตปิดใจไว้เสียอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะสัมผัสสัมพันธ์อะไรโดนจนกระทั่งศีรษะแตกขาหักถึงขนาดตายก็ไม่รู้ พรเห็นไม่เคยจะทําผู้หนึ่งผู้ใดให้ลูกให้ฉลาดแหลมผมอาจจะหลุดพ้นจากเงื้อมือของมันไปได้เพราะมันมีความหวังอยู่อย่างนั้นตลอดอุบายวิธีทั้งปวงเพื่อความบิดบับงคับหรือหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในเนื้อมือของมันทั้งนั้นแล้วเหตุใดมันจะเปิดโอกาสหรือเปิดช่องเปิดทางให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ รู้เหตุดูผลดูความตัดคนจริงแล้วสนัดปัดสิ่งที่เกี่ยวข้องพวพันคือมันเสฉะองออกไปดูอิสระของจิตตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไม่มีหากว่าเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สนใจในอดในธรรมนำเข้ามาแก้ไขจิตใจของตนแล้วจะไม่เห็นของจริงซึ่งเต็ม ซึ่งประกาศกระเทือนอยู่ทั่วสรนพางร่างกายทั้งขันห้าและจิตใจเราไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงไปบ้างเลยมีแต่ความจริงล้วนๆในธาตุในขันอันนี้ความจริงก็คือว่าทุกขศาสัต์นั่นฟังสิก็คือความจริงอันหนึ่งสมุทัยยสัตถ์ก็มีก็คือความจริงอันหนึ่งถ้ายกสัตมกศาสัตย์ขึ้นมา เพื่อสอดส่องมองสิ่งที่เป็นสัจจะด้วยกันทำไมจะไม่ทะลุปุปโปร่งออกไปถึงนิโรธทศัตย์คือความดับสนิทแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หรอเพราะมีอยู่อย่างนี้นี่แหละเครื่องประกาศเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นจริงมีจริงสอนโลกจริงรู้จริงเห็นจริง สอนโลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้จริงโดยไม่ต้องสงสัยทุกๆพระองค์ท่านสอนแบบเดียวกันเพราะสัจธรรมมีอยู่เอาธาตุเอาขันเอาจิตใจนี้เป็นเครื่องประกาศยืนยันกันได้เลยปฏิเสธกันไม่ได้เรื่องสัจธรรมซึ่งเต็มอยู่ในขันนี้สัจธรรมนี่แลเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นสัจธรรมนี่แลเป็นเครื่องยืนยันแห่งความจริงทั้งหลายและเครื่องยืนยันของผู้รู้รู้สัจธรรมนี้คือใคร ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจะเป็นใครเรารู้สัจธรรมซึ่งมีเต็มอยู่ภายในร่างกายคือขันหากองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารเิญญญียานด้วยสติปัญญายานทั้งหลายนี่คือฝ่ายมากแยกแยกลงไปตรงนี้ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาดั่งเดิมนอกจากให้กิเลสเอาไปแทลุงเสอย่างเดียวเท่านั้น อาการทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสสัมพันธ์มีตั้งแต่กิเลสกรอบโกรเอาเรื่องผลประโยชน์ของมันะโดยไทยเดียวแล้วสุดท้ายก็มาทำลายตัวเองเนั่นเไม่ทำลายผู้หนึ่งผู้ใดทำลายตนก่อนอื่นแล้วกระจายออกไปให้เป็นความเสียหายแก่ผู้อื่นอยู่ด้วยด้วยความเห็นที่เป็นพิษเป็นภัยของตอนเหงกิเลสมันแหลมคมผมเคยสอนพวกท่านทั้งหลายไว้นานเท่าไหร่ ตั้งแต่ออกสังคมมา น, นี่ได้สามสิบกว่าปีนี่แล้วนี่ผมเคยได้พูดออกปากซะเลยก็ได้ตั้งแต่เริ่มแรกในขั้นที่ได้เข้าใจในทำเบื้องตน้นตามความตะเกียบตะกายของตนที่เป็นมาถามท่านแพงนี่แหละเป็นองค์แรกไม่ได้ถามผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ดอยธรรมเจดีวัดดอยธรรมเจดี นันะท่านเพ่งนี่จะเล่าอันหนึ่งให้ท่านฟังน ะ, ะผมมาอยู่สถานที่นี่นี่ก็เล่าความจริงออกมาเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่จะไม่แจงแต่เป็นเรื่องสัจธรรมส่วนละเอียดสุดทั้งสมุทยัยทั้งมรรคสัตว์เป็นความละเอียดสุดของของศัจธรรมทั้งสีนี้ ให้ท่านเพลงฟังสุดจิตสุดคิดสุ ด, สดทั้งเหตุสุดทั้งผลให้ท่านฟังโดยเฉพาะไม่มีใครเลยวันนั้นมีสองต่อสองอ น, นั้นแล้วพอจบลงไปแล้วคำพูดเช่นนี้ซึ่งท่านเคยติดสอยห้อยตามผมมานี้เป็นเวลานานทั้งอยู่กับหลวงปู่มัม่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราทั้งเที่ยวโดยลำพังเช่นอย่างไปเที่ยว้วยการพึ่งกลับมานี่แหละ แล้วคำพูดเช่นนี้ผมได้เคยพูดให้ท่านฟังใหม่ท่านก็ยอมรับบอกว่าไม่เคยได้ยินนี่จะให้ท่านตั้งใจนะถ้าท่านจะตั้งใจอันนี้ไม่ใช่เป็นคำโหกหกเป็นคำหลอกลวงเป็นคำถอดออกมาจากหัวใจที่ไดชเกียวติกายมาเต็มกำลังความสามารถทั้งเหตุและผลยื่นได้ออกมาได้พูดให้ท่านฟังนี่เป็นคนแรกที่เดระบายให้ฟัง เกระซิบให้ฟังข้อสองสองต่อสองโดยเฉพาะนี่นี่คืออะไรที่พูดเหล่านี้พูดเพว่ความอ้ววดท่านทั้งหลายหรอนี่พูดถึงเรื่องความยืนยันในความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในขันห้านี้เองรูปเวทนาธัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่คือเครื่องมือเป็นปได้ทั้งเครื่องมือของธรรมเป็นปนา้ทั้งเครื่องมือของสมุทยัยคือกิเลสประเภทต่ตางๆนี้มันจะสร้าง ผลประโยชน์ของมาขึ้นมาโดยอาศัยขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องทำจะสร้างผลสร้างประโยชน์เพื่อสังหารชิเลตให้ถึงสมุทรเฉตประหารได้แก่มรรคผลนิพพานเต็มผู่ก็ต้องอาศัยขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องยืนดันเมื่อทราบก็จะทราบอยู่ในวงขันนี้ซึ่งเป็นสถานที่ พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นทรงยืนยันพระองค์แล้วนำธรรมชาติอันนี้ออกประกาศทำสอนโลกซึ่งไม่มีใครที่จะค้านได้เลยเพราะเป็นความจริงเสมอกันหมดนอกจากไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นถ้าเรานำนำอันนี้ออกไปประกาศสอนโลกทีนี้เมื่อได้ยังสติปัญญาซึ่งเป็นมรรคศาต์เข้าไปที่จุดนี้อันเป็นความจริงด้วยกันจริงต่อจริงเข้าถึงกัน อย่างเต็มร้อยเปอร์เซนแล้วทำไมจะไม่ประกาศความบริสุทธิ์ความจริงของตนออกมาอย่างร้อยเปอร์เซนตและยืนยันพูดได้อย่างเต็มปากรู้ได้เต็มหัวใจเรานี่แหละเครื่องยืนยันของาศาสนาว่ า, าศาสนาจริงขนาดไหนใครเป็นผู้พ า, าศาสนาทำาศาสนาให้จริงอในพุทธศาสนาของเราก็คือองค์ปัจจุบันนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าสมณะโคดม เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายระหว่างแห่งขันกับผิดซึ่งรวมกันอยู่นี้หรือตอีสัจธรรมทั้งสีนี้แตกกระจายออกให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเปิดเผยมรผลนิพพานขึ้นมาให้เต็มเต็มส่วนได้แก่ความเมยสุดพระทยความเมยสุดใจของพระเจ้าลักษมณ์ขึ้นมาอย่างเต็มภูมิ นี่แหละเครื่องยืนยันแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความยืนยันแห่งพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ความยืนยันแห่งพระสงฆ์สาวกขึ้นมาปรากฏภาณในใจของตนด้วยความบริสุทธิ์แล้วประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศได้อย่างเปิดเผยอย่างอาจหาญอย่างไม่สะทกสถานพระเอาความจริงออกประกาศไม่ใช่เอาของปองบอกประกาศทําไมจะไม่ประกาศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําไมจะไปสะทกสถานนี่ศาสนาเป็นของจริงๆอย่างนี้ เป็นตัวพยานได้อย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าจะปริพันธ์นานเทกไหรเจ้าของมีอยู่นี่เห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าของแห่งเพื่อความเป็นศาสดาและสักขีพยานแห่งความเป็นศาสดาคืออะไรคืออริยสัจสี่ได้แก่มรรคสมุทรไสณิโรธมรรคสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในวงขันห้ากับจิตเป็นตัวประธานไม่นอกเหนือไปจากขันเราขันท่านจิตเราจิตท่านนี้เลย ขอให้พิจารณาที่ตรงนี้แล้วจะยืนยันในความเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งทั้งหลาย ก, ยกี่ร้อยกี่ล้านพระองค์ก็ตามเถอะจะไม่มีอะไรสงสัยว่าศาสนานี้คื อ, คอศาสนาที่จริงแท้มีผู้ยืนยันมีผู้เป็นเจ้าของโดยไม่ต้องสงสัยไม่ได้มาหลอกกันอย่างเปล่าเปลาแล้วพูดเฉพาะวงศาสนาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาเอาสัจธรรมนี้เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องยืนยัน แห่งความจริงของศาสนาทั้งหลายที่แสดงออกแก่โลกสงสารแต่เพาะอย่างยิ่งแสดงแก่พวกเราเรามาอยู่กันยังไงทุกวันนี้ปฏิบัติกันยังไงศาสนธรรมนี้ประกาศกลางวานอยู่ทั้งวั น, ท, วนทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีลถมีหย่อนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสมุ ท, ทยัยยัษัตว์เป็นสิ่งที่ประกาศกลางวานออกหน้าออกตาไม่สะทกสถานเพี้ยนผ่านเต็มวัดเต็มว่าเต็มพระเต็มเน็ ทำไมจึงไม่เอาสติปัญญาซึ่งเป็นมษัตริย์ออกฟีนิพิจารณาขี้คายขันติความอดความพนทนเพื่ออะไรทนเพื่อต่อสู้กิเลสสังหารกิเลสด้วยอาจด้วยธรรมทาไมจึงไม่ อ, ออกมาใชา้สติปัญญามีอยู่หูต้มแกงกินได้เหรอบอกแล้วหลายครั้งหลายหนอันนี้ไม่ใช่อาหารประเภทต้มแกงกินเป็นปเครื่องมือสําหรับสังหารกิเลสตัวเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราทั้งหลายเองทําไมจึงไม่คิดไม่ค้นขึ้นมา ทีบมสอนทุกวันนี้เข้าใจว่าผมมาโกหกท่านทั้งหลายอย่างนั้นหรือยิงไม่มีใครสนใจที่จะพูอปฏิบัติถ้าสนใจมันก็ควรจะเข้าใจกันบ้างไม่มากก็น้อยไม่ถึงกับจะอกอกจะแตกอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ผมอดผมทนนะเข้ามามากตั้งใจมาองค์นั้นก็อยากมาศึกษานี่ก็อยากมาศึกษามาแกะเกะกะ อกอกอเขินเขนลุ่มลุ่มดอนๆหาความสัตย์ความจริงอะไรก็ไม่ได้เลยๆหลอนๆสุดท้ายก็เอาชื่อสถานที่อยู่และครูบาอาจารย์ไปขายกินนี่อันหนึ่งไม่สงสัยเป็นไปได้จริงๆทีแรกก็มามุ่งอ่ดมุ่งทำสุดท้ายกลายเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องสงสารเรื่องขี้เหร่ตั้งหาไปหมดเสยเรื่องอ่านเรื่องทำเลยไม่มีถ้าไม่คิดแยกแยะจริงๆจะหาเอาตัวไปไม่รอดนะ จะแบกขันห้าอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากว่าเหมือนโลกทั่วๆไปไม่มีอะไรแปลกกันเลยในวงผู้ปฏิบัติเราเวลานี้ก็ยิ่งร้อยหรอลงไปครูบาอาจารย์หลายที่เป็นที่กราบไาว้บูชาเป็นขวันตาขวัญนใจเราไม่เคยกราบไหว้บูชาด้วยเคยเคยยินชื่อยินเสียงของท่านให้เป็นเครื่องอบอุ่ น, นภายในจิตใจก็กลอยหลอลงไปร่อยหลอลงไปจะไม่มีอะไรเหลือเส็จแล้วเวลานี้แล้วเราจะ สร้างเนื้อเนื้อสร้างตัวของเราเพื่อเป็นหลักเป็นเจนขึ้นไปเพราะอาศัยโอวาทธรรส่งสอนหรือความอบอุ่นจากท่านความพึ่งพิงอาศัยท่านมาเป็นต้นทุนหนุนตนขึ้นสู่ระดับแห่งธรรมอันสูงโดยลําดับอันเป็นที่พึ่งของตนได้ที่เรียกว่าอาณาจิตโนนาโถมันจะไม่ปรากฏบ้างหรือเวลานี้มันจะเสร็จสิ้นเป็นเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหลือตั้งแต่ร่างของพระของเนรผ้าเหลืองห่มคลุมอยู่เท่านั้นเหรือ มันย ม, มีของจริงอะไรติดจิตติดใจบ้างหรือศาสนานี่เป็นโมฆะถึงขนาดนั่นเท่ยวหลือเป็นที่สมบูรณ์ภูมิผลยิ่งอย่างไม่หาประมาณมาได้ตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจของพระของเนรของนักปฏิบัติเราเท่านั้นเหลือเวลานี้คิดให้ดีนะนักปฏิบัติถ้าจะตักตวงเอามาผลนิพพานด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ปลอมไม่ใช่ศาสนาปลอมเป็นศาสนาที่จริงแท้แน่นอนแน่นอนไม่สงสัย กิเลสเป็นของปลอมนะแล้วนี่เราเสกสรรกิเลสขึ้นมาให้เป็นของจริงนะธรรมะกลายเป็นของปลอมขึ้นไปขึ้นไปหมดจะแล้วเวลานี้จนจะมีธรรมบทใดเข้า ม, มาขัดแยง้งเข้า ม, มาต้านทานเข้า ม, มาต่อสู้กับกิเลสพอที่จะเอาตัวของเรารอดไปได้ในวันหนึ่งือนหนึ่งให้มีความสงบเย็นแล้วนะมันจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาจิตเผาใจเราจะว่ายังไงผมก็ยิ่งอ่อนลงทุกวันทุกวันท่านทั้ ง, ง, งหลายก็ทราบอยู่แล้วลบหลีบติดตัวไปนี้เพื่ออะไร แต่ก่อนผมก็ไม่หลบไม่หลีดแนะนําสังสารหมู่เพื่อนเต็มทัติกําลังความสามารทั้งประชาชนญาติโยม่านเนรมีมากเท่าไรก็สอนทุ่มลงไปทุ่มลงไปขั้นทุนธาตุาขันก็อย่างที่ว่านั้นแหะเครื่องมือเครื่องมือฟังเลยล้อยล้อยลอย้ลอไปล้อยล้อไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งมันจะไปจริงๆผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังความที่สงสารหมู่เพื่อนไม่อยากจะพูดอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจผมก็เคยรักษาเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่ข่าวที่ผ่านมาแล้วนี้เกือบไปจริงๆแล้ว ยังเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์โรคหัวใจกับโรคอะไรมันหอกที่มันบวกกันเข้าถึงเจ้าของนายกำหนดเองนู่นแล้วถ้าหากว่ายาไม่ถูกนี่ก็เป็นจริงๆแหละปานนี้ไปแล้วไม่เหลือเพราะได้คิดได้คาดมาแล้วไม่เคยผิดนี่เรื่องคาดเรื่องขันน้องเจ้าของทุกเกิดขึ้นในเจ้าของในขันเจ้าของกําหนดกันอยู่ต่อสู้กันอยู่ลําหรือยับยั้งกันอยู่ ทำไมมันจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันหนักมันเบาขนาดไหนเคยยับยั้งกันเคยลังกันเอาไว้ก็เคยมานานมานานแล้วแล้วบทเวลามันหนักเข้าหนักเข้า ม, มันจะสุ่มกันไม่ไหวนี่ก็ได้พิตกวิจาระมากมายผมไม่อยากจะพูดให้หมูให้เพื่อนฟังมันจะกระตุน้นกระตนเพราะไม่มีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นจากการพูดให้หมูเพื่อนฟังเลยหากจะแยบบ้างก็เป็นบางองมนิดหน่อย อนนั้นนอกจากจะดูอากัปกิริยาหรืออาการที่เคลื่อนไหวไปมาท่านั้นมันหนักขนาดนั้นก็ได้เป็นแล้วนี่ให้เห็นแล้วนะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยเป็นโรคหัวใจก็เคยเป็นมานานแม้จะว่าเป็นโรคที่ตายง่ายก็ต า, ามแต่ก็พอทำเนาพอย้าย้ำกันได้พอโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่มันก็เป็นขึ้นมาชัดๆไง อย่างที่ว่าเล่าให้ฟังเหมือนกับโรคหอบเหมือนกับโรคจะมันจะพาให้ทักให้สลบไปในขนาดนั้นโรคสะอึกหรือโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่ไม่ใช่สะอึกเหมือนอย่างเราสะอึกนะพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันกักกัๆ ๆ, ๆ, ๆมันไปเลยสู้กันก็สู้นี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นโรคหัวใจผมนี้ได้ถึงเก้า้าปซ ผมได้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า 99% ตั้งแต่คราวถ่ายท้องอยู่น้องผือนั่นถึง 99% ่วนโรคหัวใจเพียง98เท่านั้นยังไม่ถึง99แต่คราวนี้ถึงซะแล้วนั่นจึงได้อดจึงอดไม่ได้วัาที่เราปดไม่ได้ที่เราจะวิตกวิจารณ์กับเราคําว่านิยตวิจารณ์กับเราก็คือกับหมู่กับคณะนั่นเองไม่ใช่อะไรคณะนี่เราใช้เพื่อหมู่เพื่อคณะเราไม่ได้ใช้เพื่อเราจึงได้วิตกวิจารณ์ออถ้าลงขนาดนี้แล้วเรานี่จะไม่เลยเจ็ดวันนั ต้องไปแน่ๆเพราะมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันล้างกันไว้ล้างไว้เมื่อมันเหลือกำลังแล้วมันต้องปล่อยแต่พุทธเจ้ากันยังนี่ผ่านหรือเปล่าเราหนูเพียงตัวหนึ่งเท่านั้นนั่นจะไปวิเศษยิ่งโศเกิดพระพริธเจ้ามาจากไหนพอที่จะค้ำโลกอยู่ได้ไม่ต้องตายนี่ที่ว่ามันเก้าสิบเกเอร์ซ็นมันเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราทราบตั้งแต่โลกกันอื่นเก้าสิเก้าเปอร์ซ็นตโลกอันนี้พอมันห่อเข้าไปเต็มที่มันเหมือนกับมันชักไปเลยชักไปชักไป ลมหายใจนั้นหมดขึ้นข้างบนหายไปข้างบนหมดเงียบนั่นเหลือแต่ความรู้เวทนาดับหมดเช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้องถึงอาเจียนถ่ายท้องยี่สบห้าหนอนอเจียนส อ, อง ห, น, อ น, องหนนั่นแหละดับหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเท่า น, นั้นไม่มีใบปากรแห่งค้าไวยาทุกส่วนเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความรู้สึกอะไรเวทนาลายดับหมดเหลือแต่ความรู้เท่านั้น นั่นเก้าทีเก้าเปอร์เซนตอันนี้ก็มาเป็นแล้วถ้าหว่ายานี้ไม่ไม่ทันไม่ถูกกับยาหมอจีนนี่ต้องไปนแน่ๆม่สงสัยมีถึงเพราะมันถึงเก้าทีเก้าเปรเซนแล้วเนื่องจากโรคไออ่ว่าหอบนี่เข้าไปบวกกับโรคหัวใจพอมันขึ้นถึงขีดแล้วลมล ม, ลมหายใจนี่ดับเงียบไปเลยมันเหลือตั้งแต่ความรู้ไม่ดับมันที่ความรู้ยังไม่ออกล้างความรู้นั้นไว้ไม่ให้ออกบังคับเอาไว้ ส่วนลมหายใจนั้นหมดไปแล้วแต่ความรู้ยังไม่หมดมีบังคับมันไว้ไม่ให้ออกไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงไปไหนใ ห, ให้รู้อยู่กับรู้บังคับไว้แล้วในขณะที่บังคับมานั้นทุกขเวทนาหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายทุกส่วนเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนิสักแต่ว่ารู้ใหนบังคับกันไว้นั้นไม่ น, นานไม่นานนักก็ลมหายใจก็ค่อยแสดงขึ้นมานิดๆนิดๆนิดๆ ทั้งๆที่มันหมดไปแล้วนะอถ้าธรรมดามันก็ไปเลยเพราะคนนั้นต้องตื่นเต้นเวลามันเป็นถึงขนาดนั้นแล้วตื่นเต้นหาสติสตังมาได้ต้องปล่อยเลยความรู้มันก็ออกไปในขนาดนั้นแหละไปเลยเจ้าของก็ไม่รู้แต่นี้สาธุไม่ได้อวดมันรู้ดิอะไรๆหมดไปหมดไปมันรู้หมดแต่ความรู้มันไม่หมดนี่มันรู้อยู่นี่ก็ต้องอาศัยนี่บังคับไปไม่ให้มันออกบังคับไว้ในภายในตัวนี่ ไม่นานนักก็ค่อยลมหายใจค่อยปรากฏขึ้นมานิดนิดนินิดนิ ด, น ด, นดบังคับกันไว้ตรงนั้นไม่คิดไม่ปรุงต่อยมันค่อยแสดงขึ้นมาตอนที่มันลมหมดลมหายใจนั่ น, น, นละเป็นเก้าสิบเก้าเปรเซ็ต์พอนานเขานั้นเข้าพอสมกวรแล้วลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมานั่นย้อนเขา้ามาเก้าสิบแปดเก้าสิแปดเปอร์เ็นต์ที่เดี๋ยวเวทนาความอ่อนเพียทั้งหลายก็ค่อยปรากฏขึ้นพร้อมกันกับลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมา นี่นี่โลกหัวใจนี่ได้ปรากฏถึงเก้า้าปซ็แล้วนี่นี่ก็ล้างไว้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อหมู่เพื่อคณะัมพังผมเองผมไม่ได้เสียดา ย, ายอะไรเลยไม่ได้คุยนี่พูดทำทุกบททุก บ, บาทผมไม่ได้มาโกหกหมู่เพื่อนผมพูดเต็มอกเต็มใจพูดพูดด้วยความสัต์ความจรงิงยะของโดยไม่ต้องโดยไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็พูดด้วยความเมตตาสงสารหมูม่เพื่อนอย่ควรจะตั้งออกตั้งใจไงให้ตั้งเเวลา ที่แนะนำต่างสอนอยู่อยู่นี่ที่ฟังก็ฟังจะจริงจะจังขนาดไหนเอาตายแล้วมีใครสอนมีมีสอนไม่ได้คนตายแล้วเจ้าของก็ตายแล้วสอนไม่ได้คนใดก็ตามตายแล้วฟังไม่ได้สอนไม่ได้เหมือนกันนี่ก็คือความจริงอันหนึ่งมันเห็นชัดๆอยู่ในท่นานในขานนู้เราถ้าจิตไม่ได้อบรมท่างสอนเจ้าของไม่ได้อบรมเจ้าของไปแล้วจะเป็นยังไงตายแล้วแก็เหมือนหนูตัวหนึ่งตายไม่เกิดประโยชน์อะไร มนุษย์ก็ว่าเฉยให้ชื่อกันอะไรมนุษย์มนุษย์ตายเฉยความมีสติแตต่างความเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลั ก, ล ก, กเกณฑ์ไม่ได้มันเท่ากันกับศัติ์นั่นแหละถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมใครจะว่าดีว่าเลือดว่าประเสริฐก็ตามแต่มันมีต้งแต่ลงปากทั้งนั้นแหะถ้าลงไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเจ้าของให้ดีตามอัดตามรมคนเราดีตามทำดีด้วยท ำ, ด, ด, ยทำดีด้วยการฝึกการฝนการอบรมจะดีมากตีน้อยดีด้วยเหตุนี้ไมจะดีด้วยชื่อด้วยเสียงด้วยกิจที่สัพบกิจติคุณที่ล่ําลือกันลั่นไปเฉย นั่นเป็นลมปากมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแหละอืมถ้ามันเป็นในภาณิชย์ในใจรึกผลอบรมเจ้าของให้มันจริงมันจังสิให้มันเห็นให้มันเรื่องตายหเห็นตั้งแต่ยังไม่ตายรู้กลมายาของการตายให้มันรู้รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่จะทุกสถานถ้าลงรู้ขนาดนั้นแล้วตาก็ตายเถอะมีแต่เพียงว่าเปลี่ยนสภาพของธาตุของขันสลายตัวลงไปเท่านั้นธรรมชาติที่รู้ม่มีอะไรเกี่ยวกับอะไรก่บมันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันอันนี้ไม่ใช่สมมติอันนี้ มันจะมาเกี่ยวกับกันอะไรมีส่วนเกี่ยวกับมีส่วนข้องให้ได้ดีได้เสียใจดีใจเสียใจให้ได้ให้เสียต่อกันยังไงมันไม่มีถ้าลงถึงความบริสุทธิ์ดล้วนท่านเรียกว่าวิมุติมุติมันเกี่ยวกับวิสมมุติอะไรกันเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติเท่านั้นที่แสดงตัวที่ว่าได้ว่าเสียว่าล่ำมาจมมาเป็นมาตายนี่มาทุกข์ว่ายากว่าลําบากมาทรมานอะไรนี้มันเรื่องสมมุติทั้งมวลเป็นเรื่องของขันแสดงตัวเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ดล้วนแล้วมีอะไรมาแสดงือ นันนะพระพุเจ้าท่านทรงสมบัติอันนั้นนะสาวกอรหัตหานท่านทรงสมบัติอันนั้นไปถ้าไม่ทรงเลยขี้มูราขี้ห ม, มาแห้งเต็มหัวใจเหมือนอย่างพวกเราซึ่งเต็มไปได้วยความขี้เกียจจีคลานจะชำระออกก็กลัวมันจะไม่พอกหัวใจอยู่นั้นตลอดไปก็ขี้เกียจนอนกอดกันนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสนใจว่เพื่ปฏิบัติเลยทำมีอยู่สิ่งที่จะฟอกจีชำระศาสนาสิ่งที่จะปราบสิ่งที่ชั่วช้าละวมกทั้งหลายมีอยู่ในศัจธรรมอันเดียวกันนั้น หัวใจเรานั้นอะ่ะเป็นที่รวมแห่งศัจธรรมทั้งสี่ทุกสมุทยัยนี่ตัวทําลายอืมสมุทัยเป็นตัวก่อเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมาทําลายนี่มาร์กเป็นตัวก่อเหตุให้นิโรธเกิดขึ้นมาปราบทุกทั้งหลายให้เรียบล่าไปจากกิจใจนี่นี่กิริยาทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่ากิริยาอืความบริสุทธิ์ไม่ใช่กิริยาคือจิตที่บริสุทธิ์ จะได้สอนมาเต็มสติกําลังความสามารถจะมาทราบจะสอนอะไรอีกทุกวันนี่เลยได้ประกาศว่าได้แนะนําต่างสอนหมู่เพื่อนแด้อุปโมอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหรดูสิอยู่ตะล้ำพังจะของมันก็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยหลบนุ่นซ่อนนี้ไปซึ่งไม่เคยเป็นก็เป็นนั่นเองในที่สะดวกสบายตามเรื่องอัธยาศัยตามธาตุตามขันไม่มีอะไรควนก็ไปเท่านั้น่ะจะว่าไงพขาสอนก็อสอนมากต่อมาแล้ว อยู่นี่ก็อยู่ไปมันหมาว่ามันไม่ไหวจริงจิงก็สลัดขนาดเดียวเท่านั้นมันก็ยากอะไรของนี้ไม่ใช่เป็นของยากดินน้ํำลมไฟมันเป็นของมันอยู่แล้วยากมันอะไรหัวมันหาอะไรอะไรเป็นความดิบ ค, ค, ความดีที่ใจเป็นสาระแก่สารนั่งตนพยุงตนให้เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองจนถึงความพ้นทุกข์นั่นแหละให้ขมกขะเม่นให้อุตสาห์พยายามยามาถึงหวงตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คลานความอ่อนแอแท้ท้อแท้เลวไหลอนี้ซึ่งเคยแบก ถังจมมากับพบกับชาติกับ ramento, จิตกับใจดวงหมุนเวียนนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วสงสัยมันอะไรว่ามันจะพาเราดีเราดีเราพิเศษพิสูอะไรจากสิ่งเหล่านี้นี้แต่มันพาให้จมมาเรื่อยๆอย่างนี้ทําเท่านั้นที่จะพาคนให้มีความจเจริญรุ่งเรืองไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อใครนี่นะที่กล่าวถึงเรื่องศาสนางองค์งเอกศาสนาองค์เอกอยู่ในวงขันเนี่ย ให้เาเห็นนี่แค่ชัดเลยเธอไม่สงสัยสงสัยอะไรสงสัยพระเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องประกาศให้รูปป้พุทิเจ้าให้เห็นพระเจ้าให้เชื่อพระเจ้าตรงนี้แหะัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเอาเรียนลงไปอยู่ในวงขันนี่เมื่อเห็นอันนี้รู้นี่แล้วจะไม่สงสัยว่าบระุทธเจ้าสันติทิโกสันติโ ก, โกจะประกาศกลางวันขึ้นมาที่นี่จนสุดฉีดของสันติทโกไม่นอกเหนือไปจากนีเลย นี่กำลังไล่กันมามากเขามากทำไงหนึ่งถึงสี่สิบกว่าตั้งอกตั้งใจคิดปฏิบัตินะจะมาเลหลวๆไหลๆนะให้หนักอกหนักใจไม่ว่าชาติชั้นวันณาใดแหละมันกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันอย่ามายืดมาถืออย่ามาสําคัญมันหมายว่าเป็นชาตินั้นสูงชาตินี้สูงชั้นนั้นสูงชั้นนี้นสูงอย่าให้กิเลสมันหลอกไปนะอืมชาตินั้นสูงชั้นนี้สูงยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตแล้วจะก้าวขาไม่ออกมันหนักยศ มันหนักความสําคัญนั่นแหละคือกิเลสหลอกคนให้รู้เอาามันทังลงไปในหัวใจเป็นไงถ้ากิเลสพังในหัวใจไม่เสกสรรนันก็วิเศษเองอะ่ะมันวิเศษในหัวใจยาวิเศษด้วยคำเปลี่ยนสรรตั้งย่อถึงนึกเกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นอะ่ะชาติไหนก็ชาติกิเลสบังคับหัวใจกิเลสพุ่มหอยที่หัวใจจะต้องได้แก้ได้ไข้ได้ถอดได้ถอนด้วยกันเพราะงั้นเวลามาถึงกันแล้วให้สเพสตาอันวัตจทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กดเจ็บตายให้มีความสนิทสนมกลมกลืนกัน ด้วยอดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลซึ่งเป็นข้ออดข้อทำและจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขอยามาดมีเขีย้ยมีเขาเหมือนสุนัขมาเฮ่ามากัดกันใช่ไม่ได้ในวงศาสนาวงพระวงเนนวงผู้ปฏิบัติมาแสดงอาการอย่างนี้เลวที่สุดเลยเลวที่สุดเราสลดสังเวยมากนะเพราะงั้นรายใดที่ปากกว่าขึ้นมาจึงไล่ออกเลยไม่อยู่ผลทาไมเป็นอย่างนี้สอนอยังมาเต็มเม็ดเต็มหนวดสอน แอบลม้มแอบตายทุนเวลาแสดงมาทําไมมันเป็นอย่างนี้นี่มันน่าสลดสังเวชจะตายไปนะต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เนนสามเน้นั้งตัง <c> เ <oughs> งี้ยจะว่าไงรู้เรื่องรู้ราวบ้างอะไรก็มารู้เนี่ยเนนสามเน้อะเน้นหลังนั่นนะอ่าท่านปัญญาอธิบายให้ฟังเอาแค่นี้แหละเหมือนกับว่าท่าไทยความจริง ลกไม่นะลกไม่ศูนย์มีเจ้าของชัดเจรศาสนาธรรมมีเจ้าของคือศาสนาธรรมนหนึ่งเป็นเจ้าของหลักของศาสนาหลักของความจริงคือศาสนาธรรมใครไม่สามารถไม่ฉลาดรู้จะยกศาสนาธรรมมาอธิบายได้อย่างไรนั่นพระพุทธเจ้านี่นี่มันมียืนมันมีตัวมีตนอยู่อย่างเนี้ยอืเจ้าของศาสนามีอย่างนี้ย ตัวมีตนอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดกันแบบเปล่าๆสอนกันแบบเปล่าๆยกขึ้นมาข้อไหนประกาศกวางวานันขึ้นคือความจริงความจริงความจริงใครมาลูกคุณนั่นกับจริงอืยิ่งกันเราลูกเข้าไปปั๊บนี้ปฏิเสธรวเจ้าได้ไงเพรความจริงกันเดียวกันมีการมีสถานที่มีร่ำเวลาที่ไหนความจริงคือความจริงนี่ถึงพูดได้เต็มปาก พุทธศาสนานี่ยแล้วจะว่าศาสนาของเราอยู่ในเมืองเล็กเมืองน้อยไม่ตรลาดตัวถึงไม่เป็นศาสนาใหญ่ในโลกมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นใหญ่ในโลกต่างหากไม่สามารถที่จะมาหยิบมายกอศา ส, สนาเนี่ยไปประดับตนได้แล้วไ่้ตําหี่ใครนนเนี่ยตำแตัวกิเลสนันน่ะตัวนี้มีอำนาจมากครอบวัวใจโลกไม่มายึดเอาหลักศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นของจริงได้ มีแต่เรื่องหลอกลวงแล้วมาทําลายพุทธศาสนามีมากเดยอนนี้ศาสนาต่างๆมาทำลายพุทธศาสน า, านี่ ม, มีมากพกก็คือก็ก็คือมารทำลายศาสน า, านั้นเองจะผิดอะไรผู้ปฏิบัติมันปฏิบัติในที่จะทําจะอะไรจะสุดๆร้อนๆมีกว่าจะทําไม่มีรู้ขึ้นมากับใจ เห็นขึ้นมากับใจนันก็สดสดละน้อยที่ใจมีอดีนโนโตแล้วโคตรที่ไหนเรจะทำกับอยู่นั้นตู่ตรงนั้นพรนมาเจอมาตรงนั้นแล้วประกาศขึ้นในตัวเองเลยหลวงปพุทธเจ้าประกาศศาสนาพระองค์เดียวเท่านั้นเงประกาศศาสนาลั่นโลกธาน ต้นนะขึ้นแต่ทำมาจากกับพรตนาสูตรนิสัน ด, ดามเนสระสับมณีซาเวซุ่มณีซาซุงเลื่อยไปอืมองนี้รูแล้วก็สูงข่าบอกองนั้นบอกองนั้นบอกองนั้นสูงขึ้ไปสูงไปจนกระทั่งถึงมการายกาเดวาสัตตมณีาเวซุ่ง ยประกาศถึงคืนเลยออกจากาไห น, หนออกจากานี่นะจาบจะจัดอริยสัจเนี่ยออกจากไหนสุขังอริยสัจจังสมุนทะสุสมุนสมุนทะยะอริยสัจจังสมุนสทะยะอริยสัจจังนิโรธาอาริยสัจจังอมคัคคัมอริยสัจจังเสีย นี่อากาศนี่พนันผมกินของกินของกินเมื่อเข้าถึงกันเลไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าสึกต่อกันท่านที่ว่าของกินที่มันเป็นข้าสึกอยู่เวลานี้ก็คือมันไม่กินไม่ยอมรับความจริงด้วยความเป็นธรรมมันถึงได้ทะเลาะ ก, กันระหว่างทุกข์กับสมุทยัยทะเลาะ ก, กันแต่เราไม่ได้เอาสมุทัยก็ไม่ได้เอา อันน้ะะะะะระหว่างทุกชงไทยกับมักทะเลาะกั น, นแต่เราไม่ได้เอามากักเข้ามาต่อสู้ไม่มาทะเลาะกับทุกซมไทย้มีแต่ปล่อยซงไทยก็ย่ำมีหัวใจเอเป็นทุกพอมักกษา้ามาแยกเท่านั้นเองอมาเป็นกรรมการแยกยหน่วยพูนยังไง ผู้ตามเป็นจริงผู้ตามเป็นจริงแยกออกแยกออกแยกออกเหมือนกับเป็นกรรมการแยกหมันแยกออกถึงของจริงเต็มส่วนแล้วอะไรก็จริงก็ไปตำหนิอะไรนอกจากจริงยังหมดไปจากหัวใจด้วยนะทุกสุขไทยเหล่านะี้ไม่ใช่ว่าจริงล้ว ม, มันยังฝังใจนะรู้จริงเห็นจริงด้วยมกษัตริย์แล้วมันสลัดกันนะ่ะไม่ต้องบอกก็เหมือนใครจับ ความอูห่าในสุมสุ่มกลางกว้างไปความอูห่าขึ้นมาไม่ว่าปลา <c oughs> ไม่ว่าเป็นอาหารทาขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาดูที่ไหนได้อูฐหา่าวนี่สลัดทีเดียวเท่านั้นเองนั <c> ่น <oughs> สุดแรงเกินเนะี่ยสลัดคองสลัดของมูฐหา่าวนี่ว่าไง ถาทุกสมทนะุทัยสุดแรงเกิดของมักนะัโอ้โหดูวันน้มันยิ่งเพี่ยตางหามันยิ่งมีอำนาจประกาศลั่นทั่วแดนโลกธาตุมันน่าสรุสังเวชจริงๆนะื่ากินยาอาการอะไรๆรที่แสดงออก จากบคุคคลมันออกหน้าออกตาเรงแต่เรื่องอันเดียวนี้มุดเรื่งเจ้าตัวไม่รู้สิไม่เห็นโทษของมันมันถึงได้ทำอย่างเต็มเต็มใจตั้งใจตั้งจิตตั้งใจทำโดยทำไม่ใช่ทำโดยสักแต่ว่าทำมันทำจริงๆ เ่อมันเชื่ออย่างฝังใจจริงว่าเป็นของดีคุณยังพวกทุติริทโคตรโกรีไทยนยีไปนั่นดูที่จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวีิเลสความโล้ความโกรธราคะทันหาภาเป็นสามตัวนี้เป็นถ้าแย่งออกจากปากมันได้มันกัดเอาแหลกแต่มันความธรรมะได้เบิกเข้าไปตรงนั้นแล้มันแตกกระจายไปแล้ว อะไรมันจะคืนได้ลงคอของสปกปรกการดิการถ่ายการกคการโกงการทุจริตทั้งหลายมันของสกปรก แ, แท้ๆในแง่แห่งธรรมทั้หลายมันจะไปคืนลงได้ยังไงเจ้าของตายตายไ้เฉยเี้ไม่คืนคืนคืนไม่ได้คืนไม่ลงไม่ยอมคืนแต่ยอมตายนั่นจึงว่าเชื่อธรรมเชื่ออย่างนั้นเลยมันทั้เป็นในหัวใจเองนะเมื่อถึงขั้นมันเป็นมันเป็นอย่างไง นั่นละที่ว่าเมื่อเป็นฉชนั้นแล้วจะไม่เชื่อทำได้ไงมันเห็นจรในหัวใจเจ้าของมันรู้อย่าง น, นีอะไรคอขาดก็ขาดไปแต่ทมกับใจอย่งไม่ยอมแยกจากกันไม่ยอมขาดเนี่ยเรายังคิดถึงเรื่องพระหารต่านไปฉันจังหันที่บ้านสกุลหนึ่งทำ จระไนทองจระไนแก้วอะไรๆหลายอย่างแล้วก็เดืมอสายท่านนิมนต์ท่านไปท่านก็ไปสงเคราะทุกวันทุกวันนะประฉันที่บ้านทุกวันแล้ววันนั้นมันเผอิญยังไงก็รม่ทราบกำลังทำเนื้ออยู่บนเขียงนะอ่ะนี้ไ อ, ไอ ท่างเจรนายกําลังทําเนื้ออยู่บนเขียงเลือดเนื้ออะไรๆก็เพื่อนเกือยูก่กำมือนพอดีเขาเอาแก้วมาให้ก็เลยเอาทั้งมือเปื่อนๆจับพวกแก้วเจะอามาเจรนายแก้วกนั้าานนะมไม่ใช่แก้วธรรมดาแก้วพระราชานนด้วยอือไม่ใช่แก้วธรรมดาเลยนะ อํ่งอำนาจสูงสุดหัวขาดได้น่ะเมื่อผิดพลาดไปจะแก้ตั้งน้นแล้วพอดีลูกล้องภายในในเรือนโดดเข้าไปเลยเอาแก้ววางไว้บนเขียงนะนกกระเรียนมันก็อยู่นั่นมันไม่ได้คิดว่ามันจะกิน เขเดินเขไปเอาลูกในนั่นในผู้ชายนั่นเนี่ยเมียไม่อยู่ตอนนั้นนิ่งเขไปเอาลูกลูกร้องไห้อยัอไเสร็จแล้วก็ออกมาพระองค์นั้นพระอรหันตท่า น, นก็นั่งเห็นอยู่ดูอยู่พาาาระอรหันต์นั้นนกกระเรียนหนี ก็เห็นนกเรียนมาฉบเอาแก้วกึนเพราะมันเข้าใจว่าเนือ้อชิ้นเนือ้อเปื่อนแก้วเปื่อนกับชิ้นเนือ้อท่านก็โอ้กูตายอย่างก่ปรงธรรมะสังเวะเทศนะท่านถ้ากูบอกนี่เขาก็จะฆ่านั ก, กเรียนถ้ากูไม่บอกเขาก็จะฆากูภาษารเราว่างั้นนะโอ้ตายกูตาย ท่านอาจจะยังไม่คิดถึงแง่ยที่ว่าขอความกำชับกำชาเขาเขากคืนโลกเรียนคืนไปแล้วอย่าดวนฆ่าแล้วให้พยายามให้มันถ่ายออกมาเอางแล้วค่อยเอาอนั่นมันความคิดพอได้นะแต่นั้นคือท่า น, นไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นเอาว่าธรรมดาเราจะคิดอย่างนั้นนะเราก็จะบอกก็แล้วห้ามไม่ฆ่าเราก็เรียนเป็นการาดถ้าจะฆ่านักเรียนให้ฆ่าธรรมาเสียจะบอกเป็นเครื่องยืนยันเอาชีวิตของเราเป็นประเครื่องประกันไว้อย่างนั้นบอกกันดีนะ นกกระเดานี้กินนกกระเดานี่มันจะถ่ายแล้วไม่ปล่อยมันไปไหนมันถ่ายออกแล้วก็เอามันจะบอกอย่างนั้นแต่ห้ามฆ่าเป็นการขายว่าถ้าจะฆ่านกกระเด็นให้ฆ่ากาัตริย์เยอเราก็จะว่างนั้นถ้าเป็นเรานะเรื่องนี้ท่านเมื่อเวลาเขามาถามท่านท่านท่าไม่ตอบนะวันแก่อยู่นี้ไปไหนท่านไม่ตอบเนพะราะท่านเห็นนกกระเด็นกินอยู่นี่แต่ว่านกกระเด็นกินแล้วเขาก็จะฆ่ากนกกระเด็น มันมากนังสือถ้าถ้าโอเคท่านก็เค้าก็จะถามเรามเมื่อเราไม่ได้เอาแล้วก็เราก็จะบอกว่าเราไม่ได้เอาไม่ใช่เราจะเป็นใครเนี่ยเค้าก็จะว่ามันก็เป็นจริงๆก็ว่างั้นงั้โหโมโห โ, โ, โซโซขึ้นขึ้นเดี๋วนั้นเลยนะเอาเชือกมารัดคอะนะอันบรรดาลบันดาล น, นะเชือกมาลัดคอจนกระทั่งถึงเลือด ทันทลักออกมาจากปากจากข้างในออกมาป่ารัดคอนท่านกระดาษนั้นนะท่านก็ไม่ท่านไม่พูดเพราะท่านสงสารนกกระเรียนนั่นนะเห็นไหมนี่แหละหลักฐานยืนยันของใจที่บริสุทธิ์ตาก็ตายไปไม่ยอมที่จะให้คนอื่นตายแล้วไม่ยอมที่จะทำทุจริตนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้ๆนั่นนหะพระอรหันต์ที่หลวงพระลันษ์เป็นอย่างนั้น ท่านเป็นพระหันเขียนไว้ในหนังสื อ, อเพือกลัดขอท่านขอรัดท่ทาทนเข้ไปจะให้ตายพูดดูว้าพูดยาบนที่สุดไม่จช่มึงจะเป็นใครเอาว่างอํามึงเลยก็ลัดขอท่านละขอรอนนี้เลือดมันก็ทะลักออกมาจากปากท่านพุ่งไปตกนอกแล้วนกก็เรียนนั่นก็มาโฉบกินเลือดอีกแล้ว แล้วกลังโมโหชาวคนนั้นอ่ะบุคนนั้นกำลังโมโหก็เตะนกเรียนอย่นีกริ้งไปชักไปเลยท่านก็เลยทำมืออย่างนี้ ท, ทออําทํานี้แล้วเ ข, เขาก็ละปล่อยอเชือกให้ยาน อ, ออกแล้วเป็นอะไรเนี่ยเียอาตมาจักรูม้นกเรียนนั้นเป็นยังไงตายแล้วยัง มึงจะตายกันนวกเรียนเหอนอยตายนั้นอีกนะอือตามยไม่หนึ่งน่นอนคืออยากจะถามด้วยนกเรียนมันตายตายแล้วยังประจับนวกเรียนนี่ตายตาจะดูทีตามีฟังดิมาดูมันตายแล้วท่านก็ดูตายเอออาจารนี่จะาอาตมาจะพูดให้นะนะพู ด, ดโดยดีท่านไม่มีกิเลสไม่มีความโหมโถสูไมว่าอะไรเขามันก็ไม่เกิดปยู่แล้วอะไรคนประเภทนี้ ดุมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วม่เกิดระยนถ้าเราไม่เอามาทช้กิจเดยวนั้นเพราะความดุในหัวใจของท่านจริงๆมันไม่มีนอกจากจะเป็นกิจเดียร์การทำที่แสดงมาทําไั้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์าาชานนนท่านก็มนไม่แสดงเสียมึงไม่เกิดประโยชน์ ก, นเกน็เลยบอกโดือดร่งที่อาตมาจะบอกนะว่าอาตมาไม่ได้เอาแก้วของคุณนั่นน่ะนกกระเรียนนี่มันโฉบกินเพราะมีเลือดติดอยู่ในแก้วนั้นมันโฉบกินกลืนเข้าไปข้างในนั่นท้องผ่าดูทีมันตายแล้วอย่างนี้ พาก็เห็นเห็นก็ร่ำโกกตอนที่ยังยังไม่นั่นนั่นเมียมานะก็เมียมาก็เข้าไปในห้องหาเมียบอกว่าพาอุ้ยนี้เอานกเอาแต่เราไปจรินแล้วะเล่าคอขาดแต่วลกละารนี้พระราชาจะตัดคอเราทางเมียก็โอแกแกดีกก น, นะเมียนะเมื่อตายก็ขอตายไปเถอะเราพระอุ้ยนี้นัน่นเอาไม่ได้ทําไม่เอา เราจะตายก็ตายไปเถิดตั้งเราตั้งลูกตั้งต่าตั้ ง, งพ่อทั้งแม่ตายมันก็ตายไปเถอดอย่ากไปว่าะ อ, อ, อะไรท่านหนึ่งเมียนะท่านไม่เอาอแล้วเชื่อวาังไปเลยนั้วเมียเพราะงั้โกรธให้เมียอีกือมันจะตายกับพระองค์นี้อีหรือกปล่าอีหล่ะโม่เมี ย, มมยแล้วออกมาก็ายังมาทําำยังตอนนั้นยังไม่ได้ทําพระองค์นี้นะไปพูดกับพีก็ทราบกับเมีย นี่เมียไม่เห็นด้วยหรือโมโหออกมาจึงมาทําเมียก็อยู่นะเมียก็ร้องหหมร้องไห้อยทำไมนี่พอได้เห็นได้ผลจริงๆแล้ววันผ่ามานกไอแก้วมันอยู่ในเทาน่านกเรียนจริงร้องโก๋เลยร้องไห้ข อ, อก็มาโทษท่านก็บอกว่าไม่มีโทษมีกรรมอะไรแหละมันเป็นโทษของวัฏจากรเหมือนว่างี้นะมันโทษของวัฏฐะคุณก็มีโทษอาตมาก็มีโทษมันโทษวัฏฐ์วัฏตะอ่างาละหลังก็แก้บัญญัติอืม นานนกก็เรไม่เศร้าท่านเลยกินข้าวไม่กินข้ า, ขาวในวันนั้นนะไม่พักผ่อนท่านไมฉันอาหาร น, นะตั้งแต่บัดนั้นท่านตั้งคําจางไว้ปุ๊บทันทีเลยท่านจะไม่ไปฉันและแม้ไม่เข้าไปใช้คาของบ้านใดเด็ดขาดจนกระทั่งถึงวันตายท่านบอกอนี้เลยนะไม่ว่าจะเปลี่ยไปฉันบ้านใดเลยฉันบ้านใดท่านก็ไม่ไปฉันจะเข้าไปร้งางคาเรือนหรอกท่านก็ไม่ยอมเข้าไป จนกร้ทั่งถึงวันตายมันบอกนี้เลยท่านตั้งจักดิ์สิทธิ์ใฐานตั้งแ ต, ต่บรรนั้นท่านไม่เคยไปจานบ้านใครจนกระทั่งท่นนนานท่านท่านผ่านนี่เป็นเรื่องของพระองนี้ทีนี้ผู้หญิงคนที่เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เสียนเขาเห็นผัวทําอะไรเมียเออทำอะไรพราเีลาจนเลือดทะละออกมาร้องไห้นะแล้วผู้หญิงคนนี้เวลาตายแล้วไปสวรรค์ว่างั้นพระพุทธเจ้า จะไปเราจะจะผิดไปตรงไหนแล้วผู้หลุดคนนี้ตกนรกท่านจึงกล่าวว่าผู้ทำดีไปสวรรค์เวลาเป็นพุทธวจิตแสดงออกมาว่าผู้ทำชั่วไปนรกนั่นแหละดูความถอกความจริงของประหลานจิต ท, ที่บริสุทธิ์ล้วนเป็นอย่างนั้นจะเอ็นไปตามโลกอันไหนเอนไปไม่ได้รักธรรมชาตินั้นไม่อํานวย เพรโลกกับกับทำหรือสมมุติกับวิ ม, มุติมันต่างกันวิ ม, มุตมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับสมมุติว่าเนี่ย้เรื่องเป็นเรื่องตายเหล่านี้มนันเรื่องสมมุติท่านจะมาเสียดายอะไรท่านไม่ทำความเมตตาอ่อนนิ่มไปหมดท่านจะทําได้ลงคอหรือบอกเรื่องใครบอกให้่นกตายเพื่อชีวิตท่านยังอยู่ท่านไม่ะ มาพุทธเจ้าเองเนี่รู้จิตของผัวเมียทั้งสองคนคนหนึ่งจิตใจดีสงสารท่านเราจะตายก็ตายไปเถอะผู้กับผัวตายหมดกวัวเรือนเรานี่ก็ยอมตายเถอะ้พระราชาจะตัดคอตัดให้ตัดไปเถอะอืมส่วนที่เราจะเชื่อว่าท่านพระองค์นี้ท่านจะเอานั้นเราเชื่อไม่ได้แล้วเราไม่เชื่อวางนี้เลยนะเรายอมตายซะดีกว่า เพราะเราเชื่อท่านมาฝังใจแล้วนี่ว่าท่านเป็นพระลาหน์นี่คุณพูดขนาดนั้นนะพอดีก็ก็เป็นอย่างว่าทีนี้เวลาตายแล้วเวลานั่นเมียร้องร้องไห้เห็นผัวรัดคอของพระลาห์มาเชือกรัดคอรัดคอเข้าไปเมียก็ร้ข อ, ข อ, รองไห้ไปทำยังไงช่วยไม่ได้นี่<ม>ก็ภาพนั้นก็เห็นถึงกับตาย พอพอพอพระบอพน้นไม่ตายแล้วเมียก็คเราคนเดียวบ่าฟื้นเนี่บนีบหลตายแล้วเมียนี่ไปสวรรค์คุนบอกว่างั้นมะหัวลงนรกมันใครไม่ใช่คริสต์จ้าจะเป็นไครรู้จิตของคนทั้งสองนี้นั่นปะระดังที่ผงเคยพูดที่ว่าทั้งขามันเกอะอยู่บนดินถ้ำหน่อยสวหมนต์พระสวดมนแล้วได้มันได้ยินแล้วมันคอย ม, มันิตใจมันกบบเคมันไแล้วเพรพาะน เสียงอัดเสียงทำ ม, มันซึ่งกันใะนจิตใจในเพลินเถอ เ, เพราะจิตมันอยู่กับธรรมแล้วตีนมันก็หลดุดมันก็ตกลงมาหน้าธรรมทุกหินตายแล้วไปสานทั้งหมดข้าวเหล่านี้ฟนะังสิพรยเจ้าท่านเรงยานทราบหมดว่าไงไม่ได้พูดแบบด้นเดาเกาหมาัดนี่นะ ผู้พิจารณรู้หรือพระอรหันและพระอรหันบางองค์รู้แต่ไม่ใช่ทุกองค์ทั้งหลพระอรหันหรือตามแต่อุปนิสัยของท่านมีทางในทางไหนกันรู้ผู้ไม่มีในทางนั้นก็ไม่รู้แต่พระพิจารณ์นี้ร้อย ท, ท, ท, ท, ทั้งร้อยพันทั้งพันแสนทั้งแสนล้านทั้งล้านรู้ทั้งนั้นเนี่ยก็ว่าไปสวรรค์พราเสียงธรรมมันแลกนะซึ่ง เสียงักงธรรมกับเสียงโลกเสียงยงสารมันผิดกันเสียงโลกมันเป็นผิดเสียงธรรมเป็นคุณต่อจิตใจทั้งหมดมีสีจสิบองใช่ไหท่าสามสิเจ็ดเนนห้าใช่ไหมท่าสามเจ็ดเนนห้า 3, 7, 5, เ, เนี่ยตะกินเนี่ยสีฐานกินเนี่ย นั่นันก็สี่สิบสองขอเรื่อยแหละขอที่มาบวชขอมาอยู่นี่มากมิเช่านีก็มาขอกรกประชอแตตเรารับไม่ได้ตั้งแต่นี่ก็ไม่ใช่รับนะมาพักเั่วคราวไม่ไม่รับนะผมก็ยิ่งกำลังอ่อนลงอ่อนลงอีจให้ผม น, น, นับพ้าเนรมามายในเรื่องของพ่อแม่กูารย์มั่นกับพระกับเนนทั้งหลาย ที่ลุงท่านอยู่นั่นนะ่ะมันกลางวันอยู่ในหัวใจผมมันเห็นได้ทัดจริงผมจะไปลืมอะไรมันสลดสังเวบจะตายไปอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นแนะ่ะจะไปแบบไหนถ้าไม่ไปแบบนั้นนะ่ะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยงมัไม่ใช่เรื่องในล่าอะไรอย่างนั้นมันจะทะเลาะกันนะในเรื่องกิเลสมันออกง่ายที่สุด น, นะ มันเหยียบหัวทำไม่เร็วสินนะ อ, อวดดีพวกกี่เล็ไม่ได้ อ, อวดดีเพราะทำมันก็ไม่ดีสิทีนี้ อ, อวดดีมันเลยเร็วลงไปเร็วลงไประเบิดบบ ม, มันจะเป็นมันไม่ได้ว่าเร็วมันอาจจะจะมอญเหมือนจะห่อหุ่เดินฟ้าได้มั้งเห็นจะาม่าสองสายกันแยกกันให้พอสมควน อยากทางโน้นทางนี้มองมองดูกับลูกไปมันมากมันน้อยก็ดูกันก็รู้ทําไมจะต้องให้บอกตรงนั้นไปสายนั้นตรงนี้ไปสายนี้นียต่างคนต่างเป็นธรรมด้วยกันไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ธรรมแล้วมันก็เหมาะได้สายไหนแต่ไปมากไปน้อยพราอมันก็รู้ประมาณได้ทั้งนั้นถ้าเอาทำเข้าไปจับแล้วถ้าเอาความขี้เกียจเอาเรื่องกินเหล็เข้าไปจับแล้วมันก็เป็นกินเหล็กไปวันยังค่าหาความน่าดูไม่ได้เลย การขบกันชั้นเหมือนกัน่าชั้นมุมมามใชั้นเรียบร้อยชั้นมีสติกำหนดดูในบาทพระตัดสั้ยีปินะปาตังน่ะทำความสงคัญในบาทอย่าไปตาเถื่อนุ่นมองนี่ต้งเกี้ยวต้งคืนเถื่อนุ่นมองนี่ในลักษณะนคนหาสติจะตังไม่ได้แมมแบบคารวะเขาใช่ไหมได้ตาต้องอยู่ในบาทพระตัดสั้ยีปินปาตังอืม ทำความที่สำคัญอยู่ในบาทท่านบอกพิจารณาในนั้ น, นแล้วเมื่อรเราจะภาวนาก็าภาวนา น, นั้นเขาจะพิจารณาเรื่องอาหารก็อยู่ในนั่นให้จิตมันอยู่ในนั่นอยู่ในบาต์ตาเตาก็มองไปนั้นตาเถอดตามองไปตาเลื่อนลอยเคี้ยวเคี้ยวไปหาสติสตังไม่ได้มันเป็นแบบคารวะเขาแล้วฉันว่าฉันในบาท ก็หาลักษณะแห่งความชันในบาตไม่มีที่น่าที่น่าดูมันสักแต่ว่าทําฉันในบาตรเฉยเมื่อตายังเมือยังมองไม่ทั้งรวมระหว่างไม่มีสติสทังนั่นเกิดประโยชน์อะไรการฉันในบาตผมมองไปผมเห็นอยู่แต่ขี้เกียจพูดเห็นต่ําตานันางจะว่าไงตาเทือันนึงมอ ง, องนันเขี้ยวไปแบบคนไม่มีสติสตัง mm. มีเยอะ ลักษณะที่น่าดูตามหลักของการฉันในบาตเป็นวัดตามก็จึงอยู่ในบาตเลยจะมองไปไหนก็ให้มีสติมีความจำเป็นที่จะมองก็ให้มีสตินอกจากนั้นก็ให้มีสติอยู่ในบาตทาหน้าที่อยู่ในบาตฉันอยู่ในบาตอะไรหน้าที่การงานอยู่ในบาตทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในบาตตาอยู่ในบาตใจคิดใจอ่านสติสตังอยู่ในบาตปัญญาอยู่ในบาต มันถึงได้เหตุได้ผลจากการฉันในบารเพราะเรื่องฉันในบาปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่นะอุบายต่างๆเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนผู้ตั้งใจปฏิบัติทําไมจะไม่รู้ปฏิเสธกันได้หรือย่างนี้นี่ไม่ใช่ขุนเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมามากต่อมากการฉันในบาปบางทีสุดใจสลดอย่างมากก็มีเพราะการพิจารณาอยู่ตลอดนี่พระแม่อาจารย์ท่านว่ามันเจ้าของเป็นรู้เอง เนี่ยที่ว่าฉันในบาตรไม่ใช่มาฉันในบาตรที่เฉยใดโดยหาความหมายไม่ได้มันมีความหมายเต็มตัวอยู่ในบาตรนั่นถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักของการฉันในบาตรเป็นวัดมันจะเจออาจจะทำวันใดวันหนึ่งสิแงใดแงหนึ่งจนได้เรื่อยๆไปแหละนอกจากฉันแบบนั่นแหละพูดอะไรก็พูดไม่ได้หแล้วก็ไม่เรียนมากไม่รู้ลึกซึ้งอฉันแบบนั้นมันอย่างว่าฉันจนกระทั่งวันตายมันก็ตายที่หนุามันเกิดอยู่อะไร เน้นอยู่ร่วมกันมาก ๆ, ๆอย่างน้อยก็อึดอาดเหนื่อยหนาย น, น่าช้าโอเอมากกว่านั้นมันทะเลาะกันได้นะระวังนะอันนี้ยาให้มีบรร น, นากาศั้่ในวัด น, นี่น่าสรุปสังเวียนจริงนะภาพปฏิบัติมันเอาเรื่องของกิเลสเข้ามาขายจ่ายตลาดเลวที่สุดนะโอ้แคแตกเลยม่าสรุดทังเวนนะียน เพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาสแสดงเลยสำหรับผู้ปฏิบัติแต่มาสแสดงเนี่ยนี่มันสรุปสองเวทนะเอาละไม่ต้องให้พรอ้ย ไ, ไม่ต้องรับทิสัสไม่ต้องขอทีใสน่เรารอไปตะก่อนผมก็ไม่แน่น เ, เก็บอันนี้เอาละเรื่องะ